อัทธวะสะปกรว่าด้วยอำนาจประโยชน์สิบประการ334พระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุขแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยาก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 เพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วเ้าเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตยธรรมสิบเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเป็นความผาสุกแห่งสงสิ่งใดเป็นความผาสุกแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยาก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 สิ่งใดเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งนั้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมสิ่งใดเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมสิ่งนั้นเพื่อเอื้อเฟื้อพระวิไนสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเป็นความผาสุขแห่งสงสิ่งใดเป็นความยอมรับ <lots> ว่า <até> ดีแห่งสง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 สิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธธรรมสิ่งใดเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งใดเป็นความผาสุขแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อคมบุคคลผู้เก้อยากสิ่งใดเป็นความผาสุขแห่งสง สิ่งนั้นเพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเราพิกสุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเป็นความผาสุขแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสิ่งใดเป็นความผาสุขแห่งสงสิ่งนั้นเพื่อกาจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต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 เป็นความผาสุกแห่งสง์สิ่งนั้นเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งใดเพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้อยากละสิ่งใดเพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเราภิกษุผู้มีศีลดีงามละสิ่งใดเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันละสิ่งใด เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตละสิ่งใดเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสละสิ่งใดเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วละสิ่งใดเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมละ สิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งนั้นเป็นความยอมรับว่าดีแห่งสงสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินายสิ่งนั้นเพื่อความผาสุขแห่งสงสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อคมบุคคลผู้เก้อยากสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งนั้น เพื่อความอยู่ผาสุขแห่งเราภิกษุผู้มีศีลดีงามสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบันสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อกาจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคตสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัย สิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยสิ่งนั้นเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้วสิ่งใดเพื่อเอื้อเฟื้อพระวินยัยสิ่งนั้นเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัจธรรมอัดหนึ่งร้อยทหนึ่งรนิรุตติ สองร้อยยานสี่ร้อยมีในอัฏฐวสะประกรอัฏฐวสะประกรจบมหาวัคจบหัวข้อประจำเรื่องหมวดธรรมเหล่านี้ของภิกษุ16ของภิกษุณี16คือหมวดหนึ่งถึงหมวดแปดในการถามและปัจใจ และหมวดหนึ่งถึงหมวดแปดในคำถามและปัจจัยอีกไปยานอันตราเพศและเอกุตตริกะปวารณาอัฏฐวสสกรสงเคราะห์เข้ามหาวัคอัฏฐวสสกรจบ